กองทัพธรรม ธรรมอิงชีวประวัติของท่านพระสารีบุตรเถระพระธรรมเสนาบดีแห่งพระพุทธศาสนาเสนอตอนที่37เรื่องสิ่งร้ายที่กลายดีพระราชาแห่งชัตราบดีตรัสสั่งให้บรรดาพรานช้างและพรานไพรออกติดตามช้าง บุญทริกที่หนีไปนั้นอย่างสุดความสามารถพรานช้างและพรานไพรผู้ชำนาญป่ากำหนดทิศทางแล้วก็เร่งขึ้นช้างฝีเท้าติดตามไปโดยเร็วแต่กว่าจะออกเดินทางกันได้เวลาก็ล่วงไปนานพอที่ช้างบุญทริกนั้นจะหลบหนีไปทางตะบนออกเฉียงใต้อันเป็นแหล่งเดิมของตนในเขตปัญจาละภาคใต้เพียงเวลาไม่จีวันช้างบุญทริก ก็หนีไปพ้นเขตปัญญาละภาคเหนือพรานช้างและพรานไพราตามรอยเท้าไปสูบเขตว่นแควแล้วก็กลับมากราบถูนเนื้อความทั้งปวงแด่พระมหากษัตริย์แห่งชตราบดีพระราชาทรงรู้สึกว่าเป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของพระองค์ก็โศกสลดมิเป็นอันเสวยในที่สุดก็ทรงประชวรเพราะความครุ่นคิดถึงพญาสเสวตตะกุชรและพระละอายต่อมหาชน ในเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นอันเสมือนหนึ่งเป็นิมิตร้ายแห่งบุญบา ร, รมีและราชสมบัติของพระองค์ราชเวทคือแพทย์หลวงทั้งหลายพยายามถวายโอสถเพื่อบรรเทาพระโรคาพาธแต่ก็ไม่สามารถเยียวยาพระอาการประชวนให้ผ่อนคลายลงได้อารรําตราชบริพารพร้อมทั้งพระเหสีและพระอรทิดาก็พากันวิตกกังวลเป็นที่ยิ่งถึงกับส่งคน ออกเสาะแสวงแพทย์ผู้สามารถในที่ต่างๆแต่ก็ไม่มีใครอาจแก้ไขพะตาการประชวนนั้นทั้งที่แต่และท่านต่างก็มั่นใจในวิธีรักษาแห่งตนบางคนเชื่อว่าเป็นแรงพูดผีปีศาจก็ทำพิธีไล่ปีศาจ ท, ทั้งหลายโดยสวมใส่หน้ากากอันน่าสะพึงกลัวแล้วถืออาวุธร้ายรำเพื่อให้ปีศาจนี้ไปบางคนเชื่อว่าเป็นเพราะเคราะ์แรงร้าย ซึ่งจอนมาตามจักราาศีก็ทำพิธีบนปวงเทพเจ้าประจำเคราะนั้นๆเพื่อให้ผ่อนจากร้ายกลายเป็นให้คุณบางคนเชื่อในเวทมนต์ก็ทำพิธีร้เวทเสกเป่าด้วยปรารถนาว่าอานุภาพแห่งเวทพิเศษนั้นอาการแห่งโรคร้ายก็จะหายไปบางคนเชื่อในยาสมุนไพรเชื่อว่าธาตุบางอย่างกำเริบก็ประกอบโอสถเพื่อประคองธาตุ เพิ่มแรงชาติตามความเข้าใจและ อ, อุปเทศที่ครูอาจารย์สั่งสอนบางคนเชื่อในโชคลางซึ่งจะต้องใช้วิธีน้มยอกเอาน้มบ่งจึงให้ออกประลุกช้างและดอกบุญทริกมาทาพิธีถอนลางร้ายอันเกิดจากช้างชื่อบุญทริกนั้นแต่ก็ไม่ปรากฏว่าพระาราชนประชวนจะบรรเาลงแม้แต่น้อยมีแต่ทรงกับสุดลงทุกทีซึ่ง นับเป็นที่นาวิตกยิ่งนักครั้งนั้นมีข่าวว่าพระสงหมู่หนึ่งเดินทางมาจากเมืองใต้จาาริกผ่านอยยธยาและกัมพิละมาแล้วเที่ยวแสดงธรรมสั่งสอนชนทั้งหลายเป็นผู้มีศีลาจารวัต มีความสำรวมมีความปรารถนาน้อยมุ่งสั่งสอนด้วยมีเมตตากรุณาต่อมหาชนเป็นเบื้องหน้ามหาอัมมาศผู้หนึ่งจึงเข้าไปหาพระสังฆทีระผู้เป็นประธานแห่งคณะสงฆ์นั้นเพื่อรัชนาให้ไปรักษาพระอาการประชวนแห่งพระราชาพระสังฆทีระไต่ถามความเป็นมาแต่หุนหลังทราบเพื่อที่เหตุทั้งปวงแล้วจึงกล่าวว่ามหาอัมมาศผู้เจริญ เราทั้งหลายมิใช่หมอรักษาโรคภัยไข้เจ็บแต่เป็นผู้ประกาศคำสั่งสอนแห่งสมเด็จพระบรมศาสดาเพื่อช่วยให้ผู้มีทุกข์ได้คลายทุกข์พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายทรงห้ามไม่ให้ภิกษุประกอบเวชกรรมด้วยเห็นว่าจะเป็นทางให้มีใจเอีย ง, ยงไปเพื่อลาบสักการะในที่สุดก็จะไม่เป็นอันประกอบสมณจิต แต่พระอาการของพระราชาตามที่ท่านเล่ามานี้เห็นได้ว่าไม่ใช่มูลเหตุมาจากความไม่สบายพระกายหากสืบเนื่องมาจากความทุกข์โทมานัดภายในเป็นมนูลถ้าพระราชาจะทรงอนุญาตให้สักถามหรือสนทนาด้วยก็เชื่อว่าอาจจะรักษาได้โดยไม่ต้องใช้โอสถหรือประกอบพิธีใดๆข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าการรักษาโรคของท่านมีต้องประกอบพิธีใดๆ มีต้องใช้โอสถใดๆก็ยิ่งเป็นการดีเพราะแพทย์ทั้งหลายต่างๆความรู้การได้ทำพิธีมาแล้วเกือบทุกอย่างและถวายโอสถมาแล้วมากต่อมากก็ไม่สามารถจะยังพระาการประชวรให้เบาบางลงได้ถ้าท่านเชื่อว่าด้วยเพียงซักไซต์ไต่ถามและสนทนาด้วยจะทำพระราชาให้มีพระาการดีขึ้นได้ก็เป็นที่พึงประสงยิ่งนักข้าพเจ้าจะไปแจ้งความในภายในพระราชวัง ทราบความแล้วจะมารับท่านไปภายหลังขอท่านได้โปรดยับยั้งอยู่ณที่นี้หรือในบริเวณใกล้เคียงก่อนกล่าวดังนั้นแล้วมหาอัมมาทก็นำความไปปรึกษากันและเตรียมการภายในพระมุนเทียนกราบทุนพระราชาให้ทรงทราบแล้วก็พากันมารับพระสังฆธิระ พระสังฆทระพร้อมด้วยพระภิกษุรูปหนึ่งเป็นปัจฉาสมณะก็เข้าไปในพระชมนเทียนนั่งน่อาสนะอันควรแล้วจึงกล่าววาจาไตาถามพระเจ้ากรุงชัตรวาดีด้วยอาการอันดีว่ามหาบอพิษพระอาการประชวนของพระองค์เป็นอย่างไรบ้างเวทนากล้ายังคงอยู่หรือลดลงประการใดท่านผู้เจริญเวทนากล้ายังเป็นไปอยู่ พระเจ้ากรุงชัตราวัฎียกพระหัตถ์ถวายนวัตการทั้งที่บรรทมอยู่บนพระแท่นแท้จริงทรงรู้จักพระพุทธศาสนาแล้วแต่ในสมัยที่ยังไม่ทรงประชวรทั้งทรงทราบด้วยว่าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไปในทางที่พึงใช้ปัญญาตรองตามให้เห็นจริงได้แต่การประกอบพระริชพิธีต่างๆก็ทรงอนุวาตามประเพณีนิยมในบุรณาการ ตามแบบพรามโดยส่วนมากเมื่อเห็นพระสังฆธิราจึงทรงรำลึกได้ว่าอาจจะได้ฟังข้อธรรมอันเป็นที่ยังพระชรุธไทยให้ผ่อนคลายความโศกกรรมสดลงบ้างมหาบอพิษอาการประชวนครั้งนี้ถ้าพรุงจะทรงตอบคำถามและพิจารณาตามข้อความที่อตมาถวายพระพรแล้วก็อาจบรรเทาลงไปได้อยู่ทั้งนี้เพราะเป็นอาการประชวน ที่เนื่องจากมาจากพระมนตท่านผู้จเจริญท่านมีอะไรจะซักถามหรือจะกล่าวถ้อยคำอะไรกับข้าพระเจ้าก็เชิญท่านกล่าวเถิดมหาบพิษในสมัยหนึ่งมีผู้กราบทูลสมเด็จพระบรมศาสดาว่านันทติปิเตหิปุตติมาผู้มีบุตรย่อมชื่นชมด้วยบุตรโคมิโกโคหิตเทวานันทติผู้มีโคก็ย่อมชื่นชมด้วยโคเช่นเดียวกัน พระองค์ตราตาาัสตอบว่าโสจติปุเตหิปุตติติมาผู้มีบุตรย่อมเศร้าโศกเพราะบุตรโคมิโกโคหิตเทวะโสเจติผู้มีโคก็ย่อมเศร้าโศกเพราะโคเช่นเดียวกันมหาบอพิษสมเด็จพระบรมศาษษษสดา ทรงเห็นว่าบุคคลหรือสัตว์หรือสิ่งของใดๆก็ตามเมื่อให้ความชื่นชมได้ก็ให้ความเศร้าโศกได้ในเมื่อมีความแปรปรวนไปเป็นอื่นหรือไม่เป็นไปนตามความปรารถนาเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่ใช่ผู้เริ่มแรกที่ประสบความพลาดพลากจากสิ่งที่รักที่ปรารถนาแท้จริงเมื่อเทียบดูสิ่งทั้งหลายในโลกนี้กับตนเองของมนุษย์แล้วก็ไม่มีอะไรเป็นที่รักยิ่งกว่าตัวเอง แล้วมีใครบ้างที่สามารถอยู่ร่วมกับตัวเองได้นานเท่านานที่ปรารถนาคนเหล่านั้นย่อมพากันสิ้นชีวิตไปเมื่ออายุอย่างน้อยบ้างเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างในยามกลางคนบ้างและอย่างว่าจะมีอายุยืนก็ภายในร้อยปีที่มีอายุยิ่งกว่าร้อยปีนั้นน้อยนักและในที่สุดก็จะต้องพ ร, พรากจากชีวิตร่างกายของตนเองไปก็สิ่งที่เป็นที่รักที่สุดของคน ยังไม่สามารถทําให้ดํารงอยู่คู่กับตัวเองได้ตลอดไปเช่นนี้การพลาดพลากจากสิ่งเป็นที่รักซึ่งเป็นของนอกกายจึงเป็นไปได้โดยง่ายใดและอาจเกิดขึ้นในทุกโอกาสที่จะมีอันเป็นไปเมื่อทุกคนในโลกไม่มีใครเลยที่ไม่ต้องพลัดพลาดจากสิ่งที่รักที่ชอบใจเพราะแม้ไม่พลาดพลาดอย่างอื่นก็จะต้องพลาดพราดจากชีวิตของตนเองเช่นนี้พระองค์ ยังไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษที่น่าเห็นว่าเป็นผู้มีเคราะห์ร้ายหรือโชคร้ายเลยแท้จริงผู้เกิดมาย่อมตกอยู่ในคติธรรมดานี้เหมือนเหมือนกันจะต่างกันก็เฉพาะเหตุปลีกย่อยเฉพาะเรื่องเฉพาะรายเท่านั้น มหาบพิตรพระมหาจักรกพรรดิทั้งหลายในอดีตการเช่นพระเจ้ามหาสมุตริราชพระเจ้ามันตราธ ร, ราชพระเจ้ามหาสุทัศนะพระเจ้ามหาวิชิตรราชพระเจ้าทัธเนมิเป็นต้นซึ่งเป็นผู้มียศมากมีบริวารมากสมบูรณ์ด้วยทรัพย์และราชภานะอันประเสริฐคือช้างอาชานัยม้าอาชานัยสีเพอกพองกับทั้งสมบัติอื่น เป็นอนเนกประการในพระมหากรัตริเหล่านั้นมีพระองค์ใดบ้างที่ไม่ต้องพลัดพรากจากยศศักดิ์จากสมบัติจากราชพานะช้างม้าอันมีคา่าและไม่ต้องพลัดพรากแม้จากชีวิตของพระองค์เองทุกท่านล้วนพลัดพรากจากของที่รักที่ชอบใจไม่สามารถนำสิ่งไรติดพระองค์ไปได้ในภายหลังแต่มรณะนอกจากความดีความชั่วที่ทาไว เพราะเหตุดังกล่าวนี้อัตมาภาพจึงกล่าวว่าพระองค์ไม่ใช่บุคคลแรกที่ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่ชอบใจหากคนทั้งหลายและพระมหา จ, จกักรพรรดิทั้งหลายก็พลัดพรากมาแล้วเป็นตัวอย่างปรากฏอยู่ในอดีตการมหาบอพิษพระองค์ยอมทรงทราบดีว่าช้างอันเป็นมงคลซึ่งเกิดในสกุลบุญทริกเป็นเพียงช้างชั้นที่สอง รองลงมาจากช้างสกุลไอราพุนอกจากนั้นถ้าจะเทียบกับช้างในสกุลโคตทั้ง10มีชัดชันอุโปโสดเหมหัตถีมงคลหัตถีและคันท่าหัถีเป็นต้นก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่ว่าช้างปุญทริกนั้นจะเทียบช้างในตระกูลโคตชสารทั้ง10หรือหาไม่เมื่อเป็นเช่นนั้นการที่ปรองพระพราจากช้างปุนทริกเพียงอย่างเดียว จึงไม่น่าจะเป็นของแปลกประหลาดหรือน่าจะถือเป็นข้อเสียหายเกินไปแต่อย่างไรเพราะถ้าจะเทียบกันแล้วช้างซึ่งเกิดแก่พระเจ้าจักรพรรดิทั้งหลายดังปรากฏพระนามมานั้นย่อมมีสกุลสูงกว่าช้างบุนทริกเป็นอันมากทั้งพระเจ้าจักรพรรดิเหล่านั้นก็ไม่ได้พลัดพลากจากช้างเพียงอย่างเดียวหากต้องพลัดพลากจากทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อถึงแก่พระชนม์ชีพในที่สุด มหาบอพิษข้อนี้ขอให้พระองค์ทรงพิจารณาเถอดว่านอกจากช้างปุนทริกหนีไปแล้วยังมีอะไรบ้างที่หมดสิ้นไปจากพระองค์อํมมา์ราชบริพานพร้อมทั้งพระเหสีราชโอรสพระราชิดาก็ยังจงรักภักดีอยู่พระชนมาชีพของพระองค์ก็ยังอยู่อันอ่าจกล่าวได้ว่าพระองค์ไม่ได้เสียอะไรไปเลย มหาบอบพิษขอให้พระองค์ทรงพิจารณาต่อไปถ้าเป็นไปในสมัยอื่นก่อนการที่พระองค์จะได้ทรงทราบทรงเห็นช้างบุรตริกนั้นถ้ามีใครมากราบทูลว่าช้างบุตริกซึ่งเป็นของกษัตริย์อื่นนี้ไปได้ก็ดีความรู้สึกของเรายัางไม่มีในช้างบุตริกก็ดีพระองค์จะทรงเศร้าโศกเสียดายหรือไม่ก็จะปรากฏว่าไม่ทรงเห็นเป็นของแปลกอะไรเลยบางครั้งอาจเป็นข่าว ที่ธรรมดาที่สุดซึ่งไม่ทรงสนพระไัยนักแต่เพราะเมื่อได้ทรงเห็นทรงทราบเรื่องช้างบุตริกแล้วทรงมีความสำคัญในพระัยว่าช้างนี้เป็นของเราแล้วเมื่อช้างนั้นหนีไปจึงทรงเศร้าโศกเสียดายดังนี้ก็พอเห็นได้ว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่ช้างทีเดียวนักแต่สำคัญที่ความยึดถือว่าเป็นของเราว่าเป็นสิ่งที่เรารักช้างเคยเห็นเคยรู้จักสิ่งนั้น จึงเกิดความเศร้าโศกด้วยเหตุนี้สมเด็จพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าเพราะตาเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นจึงเกิดความยึดถือและความดีใจเสียใจถ้าไม่เคยได้เห็นไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้ทราบก็จะไม่เกิดความดีใจเสียใจอันเนื่องมาจากสิ่งนั้นเลยความยึดถือว่านั่นเป็นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราย่อมเกิดสืบมา จากการได้เห็นได้ฟังและได้ทราบด้วยประกาศ ร, รัชนีมหาบอพิษพระองค์ครองราชสมบัติมานานแล้วกี่ปีท่านผู้เจริญขราิรเจ้าครองราชสมบัติมาแล้ว31ปีมหาบอพิษพระองค์ทรงมีความสุขมาได้ตลอดเวลาอันยาวนานนั้นต่อเมื่อช้างนี้เกิดขึ้นแล้วหนีไปพระองค์จึงทรงรู้สึกระทมทุกข์ทั้งนี้ ย่อมแสดงอยู่ว่าพระองค์เป็นอยู่ได้โดยไม่จําเป็นต้องมีช้างนั้นทั้งเป็นอยู่ได้ด้วยดีตลอดมาเมื่อความจําเป็นเนื่องด้วยช้างมุทิกนั้นไม่มีเลยความเศร้าโศกระชมจึงนับว่าไม่จําเป็นเช่นเดียวกันมหาบ่อพิษข้ออื่นจะมีอีกต่างว่าพระองค์จะทรงรู้สึกว่าการที่ช้างนั้นหนีไปย่อมทําให้มหาชนพากันกล่าวขานว่าพระองค์ ไม่มีบุญบา ร, รมีช้างนั้นจึงอยู่ด้วยมิได้อาจเป็นการเสื่อมเสียพระเจียดติยศประการหนึ่งข้อนี้ถ้าทรงเข้าใจเรื่องบุญบา ร, รมีแล้วก็อาจผ่อนคลายความหนักพระชัยลงได้บุญบา ร, รมีคือเรื่องของการสะสมคุณงามความดีเพื่อให้คุณงามความดีนั้นส่งผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองความสําเร็จผลที่มุ่งหมายโดยไม่ต้องพึ่งความหวังที่จะได้ดีอย่างลอยๆก็ในชตราบดีนี้ ไกรเล่าที่เป็นประมุขเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองตลอดมาเป็นเวลาสาปีพระองค์ย่อมทรงเห็นแล้วว่าบุญบา ร, รมีของพระองค์เป็นเหตุให้ได้เสวยรัชสมบัติต่ อ, ต, อต่อกันเป็นเวลานา น, นั้นมีอยู่เนื้อชาวชัตราวดีทั้งหลายข้อนี้ย่อมเป็นหลักใหญ่ที่ ท, ทราบกันอยู่ทั่วไปส่วนปัญหาที่ว่าบุญบา ร, รมีที่มีอยู่แล้วยังไม่มากพอจึงไม่ส่งผลทําให้ช้างเผือกอยู่ด้วยได้ พระองค์ย่อมสามารถทําให้มหาชนเห็นได้ว่าช้างนั้นเป็นตัวบนบา ร, รมีหรือว่าตัวบนบา ร, รมีคือการประพฤติปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบและการพยายามสร้างคุณงามความดีความเจริญให้เกิดแก่มหาชนยิ่งขึ้นจนเห็นได้ชัดเองว่ามหาชนนั้นต้องการช้างหรือว่าต้องการพระราชาผู้ตั้งอยู่ในธรรมกันแน่ มหาบพิษยิงอยู่ที่มีความเชื่อถือสืบมาแต่โบราณการว่าช้างเผือกเป็นสัตว์ที่มีค่าหาที่เปรียบไม่ได้เป็นสัตว์คู่บุญบา ร, รมีของพระมหากษัตริย์อันประเสริฐแม้พระองค์เองก็ทรงยึดมั่นอยู่ในคติโบราณอย่างนั้นจึงได้ให้ไปขอช้างนั้นมาแต่บัดนี้เมื่อมีความจําเป็นเกิดขึ้นพระองค์ก็จะต้องทรงทําการอย่างใดอย่างหนึ่งให้มหาชน เห็นความสําคัญของช้างเผือกน้อยลงแต่ไม่ใช่ด้วยการเที่ยวชี material, anyway, ้แจงว่าช้างเผือกนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับกระบือเผือกเป็นแต่ว่ามีน้อยกว่ากระบือเผือกเท่านั้นแต่เมื่อจะเทียบกับคนแล้วคนดีย่อมมีค่าสูงยิ่งกว่าสัตว์หลายเท่าเพราะถ้าให้เปาประกานไปอย่างนั้นคนก็เถียไปว่าเป็นการแย่ตัวในเมื่อช้างอยู่ด้วยไม่ได้จึงพานด่าช้างให้คนทั้งหลายฟัง ทางที่ดีที่สุดที่ตมาภาพเห็นก็คือการพูดและการทำอย่างตรงไปตรงมาเมื่อชางนั้นหนีไปก็เป็นอันยอมรับว่าหนีไปแต่ถ้าพรงทรงพยายามทำให้มหาชนเห็นได้ว่าช้างนั้นไม่มีความหมายอะไรเพราะไม่ได้ทำให้บ้านเมืองเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงความสำคัญจึงอยู่ที่การตั้งหน้าทานุบารุงมหาชนของพระหมหากษัตริย์จะโดยการเพิ่มความสะดวก และความเอาพระหฤทัยสอดส่องทุกสุขให้มากขึ้นตลอดจนการกระทบบอื่ น, นที่จะยัางความผาสุขสมบูรณ์ให้เกิดแจ่มหาชนได้โดยในยะนนี้ในไม่ช้าคนทั้งหลายก็จะพากันลืมช้างตัวนั้นแต่จะหันมาสนใจในการบำเพ็ญบา ร, รมีที่มีผลดีถึงพวกเขาอย่างแท้จริงเสียงจุดขานกันก็จะมีแต่เสียงแท้ซองสาธุการและถวายพระพร ให้ส่งพระเจริญยิ่งยืนนานสืบไปเรื่องซึ่งเดิมคิดว่าร้ายก็จะกลายเป็นเรื่องดีกลายเป็นความผาสุกสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะความเข้าใจผิดที่เคยมีอยู่ว่าช้างเป็นสัตว์ประเสริฐวิเศษจนเกินขนาดไปก็จะลดลงแล้วพากันเห็นได้เองว่าคนต่างหากถ้าทำให้ดีแล้วก็ประเสริฐวิเศษกว่าช้างอย่างเปรียบกันไม่ได้ ในขณะที่พระสังฆธิระกล่าวทำอยู่นั้นพระเจ้ากรุงชตราวดีทรงพิจารณาตามไปโดยลำดับสีพระพักเช่มชื่นเบิกบานขึ้นอย่างประหลาดและพร้อมกับขณะที่พระสังฆธิระกล่าวจบลงก็ขยับพระกายทำทีจะลุกขึ้นประทับนั่งเป็นอาการที่ยังไม่ปรากฏเลยตลอดเวลาอันนานราชบริพานซึ่งอยู่ในที่ใกล้ก็เข้าประคองให้ประทับอิงพระขนย มีพระมนั์แช่มชื่นเบิกบานเหมือนอาบรถด้วยน้ำอมฤตยกพระธาตถวายนมัสการพระสังฆทีระแล้วตรัสว่าท่านผู้เจริญสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประธานหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั้นประทับอยู่หน้าที่ไหนมหาบาพิตรอตมาเชื่อว่ายัางประทับอยู่หนเชตวนารามกรุงสามบทีอันตั้งอยู่เบื้องบุรพาแห่งกรุง ชตราบดีนี้พระเจ้ากรุงสตราบดีก็ยกพระหัตถ์ในมัส ก, การไปทางทิศนั้นเปล่งวาจาแสดงพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระตนตรยัยเป็นสารณะพร้อมทั้งประกาศพระราชประสงค์ที่จะทำนุบำรุงชตราบดี ให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นจนเป็นที่ประจักษ์ภายในเวลาอันไม่นานครั้นแล้วจึงมีพระราชลธรัสว่าท่านผู้เจริญเป็นลาบอันประเสริฐของข้าพเจ้าแล้วเป็นบุญอันยิ่งแล้วที่ได้สดับวาจาอันเป็นภาสิทธิ์ของท่านณบัดนี้ความที่ข้าพเจ้าเสียช้างปุตุริกไปนั้นเมื่อเทียบกับการที่ข้าพเจ้าได้สดับธรรมกถาตามแนวคําสอนของอ ง, องค์สมเด็จพระบรมศาสดาในวันนี้ ย่อมเทียบกันไม่ได้เลยข้าพเจ้าถือว่าธรรมกถานี้มีค่าอันประเสรศิฐสำหรับข้าพเจ้ายิ่งกว่าช้างบุนตริกและข้าพเจ้าขอปรว v าที่จะถวายปัจจัยแด่ท่านพร้อมทั้งพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจะสนับสนุนให้ได้สั่งสอนธรรมในแว่นแขวนนี้โดยสะดวกสื่อไปมหาบอพิษขอพระองค์จงมีความสุขในราชสมบัติยิ่งยิ่งขึ้นอัตมาภาพทั้งหลาย มีได้มีความต้องการด้วยปัจจัยเกินไปกว่าที่จําเป็นคือจีวรมินชบาตเป็นต้นความเป็นอยู่ของอาตมาภาพทั้งหลายเป็นไปอย่างง่ายๆไม่ต้องการอะไรมากขอพระง์จะได้สรงเป็นห่วงเป็นกังวลอย่างไรเลยสมเด็จพระบรมศาสด า, ศ า, ศาเคยตรัสเสมอว่าโน่นโคนไม้โน่นเรือนว่างเปล่าเป็นการแสดงว่าชีวิตพรหมจร니นนย่อมเป็นไปได้ตามสมควรแก่อัตภาพ ของผู้ที่รู้จักมีความเป็นอยู่อย่างธรรมดาข้าแต่ท่านผู้เจริญแม้ท่านไม่ปรารถนาอะไรอื่นก็ขอให้รพระเจ้าไดอารัธนาท่านพร้อมด้วยพระสงฆ์ทั้งหลายมาฉันอาหารณที่นี้ในวันพรุ่งนี้เถิดพระสังฆทิระรับคำอารัธนาด้วยอาการดุสนีพระเจ้ากรุงชตราวดีหายประชวนในวันนั้นรุ่งขึ้นท่งอังคาดพระสงฆ์ทั้งหลาย มีพระสังฆทีระเป็นประธานพระมเหสีพระราชโอรธิดาและเสวากามาตราชบริพานต่างพากันเพื่มปิติในความหายจากประชวนของพระองค์พร้อมกับสั่งเตรียมการทํานุกบํารงมหาชนให้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นก็ตรัสสั่งมหาอมาตย์ให้ถวายความสะดวกแก่พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่จะตั้งสังฆารามที่จะจาริกไปสั่งสอนมหาชน ในแคว้นปัญจาละภาคเหนือนั้นเป็นอันดีสิ่งที่คนทั้งหลายคิดว่าร้ายนั้นไม่จำเป็นจะต้องร้ายจริงเสมอไปถ้าแก้ไขเป็นความร้ายนั้นก็อาจเป็นเพียงขอนรองเหยียบเพื่อส่งให้ไปพบกับสิ่งที่ดีกว่าเดิมก็ได้